รู้สภาวธรรมเท่าทันความเกิดดับของขันห้าพุทธพจน์เห็นว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูป 2. เห็นว่าอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนา 3. เห็นว่าอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญา 4. เห็นว่าอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขาร 5. เห็นว่าอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณลงมือปฏิบัต หลังจากเห็นกายเห็นสุขทุกข์และเห็นจิตแจ่มแจ้งแล้วสติผู้รู้เห็นจะหมดความสำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นบุคคลเปลี่ยนเป็นรู้สึกเสมือนดูหุ่นกระบอกหรือดูแสงที่เดียวสว่างจ้าเดียวรีมืดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในที่นี้และเมื่อฝึกมาถึงขั้นนี้สติจะมีความไวสูงเห็นภาวะกายใจครบ จึงสมควรที่เราจะมองกายใจแบบแยกแยะว่ามีองค์ประกอบเป็น5หมวดหมู่แต่และหมวดหมู่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งขันรวมเรียกว่าขันหซึ่งเมื่อทำความรู้จักอย่างดีให้ครบทั้งหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเรากาลังรู้เห็นสิ่งใดกันแน่ในขณะแห่งความเป็นปกติอย่างนี้เราสามารถรู้กายใจได้ว่าหนึ่ง รู้รูปโดยความเป็นสภาวะเกิดดับรูปในที่นี้หมายถึงธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมอันประชุมขึ้นเป็นกายลมหายใจจัดเป็นรูปเพราะเป็นธาตุลมและแม้อิริยาบถต่างๆก็จัดเป็นรูปเพราะอาศัยธาตุสี่ในการเกิดอิริยาบถแต่คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสพิจารณาความจริงนี้เมื่อหายใจ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 จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ยิ้มแย้มจิตใจปลอดโปรง่งโล่งสบายแต่เมื่อเป็นทุกข์ก็จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ร้อนรุ่มกลุ้มใจอึดอัดไม่สบายต่อเมื่อฝึกจนรู้เห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่บุคคลมโนภาพบุคคลผู้เป็นทุกข์เป็นสุขก็หายไปเห็นแต่เพียงว่าถ้ากายระงับไม่กัดแกงและไม่กำเกรง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 หรือความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่นตาเห็นรูปแล้วจำได้ว่าสีเขียวหรือสีแดงมนุษย์ทั้งหลายอาจเห็นสัญญาเกิดขึ้นชัดก็ต่อเมื่อพยายามเข็นนึกชื่อคนหรือชื่อสถานที่เมื่อ น, นึกออกก็จะเกิดมโนภาพบุคคลเหมือนมีตัวเราเป็นผู้นึกออกอันที่จริงสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเช่นนั่งอยู่ แล้วความคิดต่างๆผุดขึ้นมาเองชั่วขณะที่จำได้หมายรู้ว่าเป็นเรื่องใดเกี่ยวข้องกับใครก็เข้าข่ายเป็นสัญญาเช่นกันหรือแม้ไม่คิดถึงเรื่องใดแต่สำคัญว่ามีตัวเรานั่งอยู่เท่านี้ก็นับเป็นอัตสัญญาแล้วต่อเมื่อเจริญสติจนจิตเงียบว่างได้บ้างและเห็นว่าอยู่ๆความคิดผุดขึ้นท่ามกลางความว่าง้วยคลื่นความคิดผุดก่อน แล้วตามมาด้วยความจำได้ว่านั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะเห็นถนัดว่านั่นสักแต่เป็นสัญญาระลอกหนึ่งดุจเดียวกับพยับแดดที่หลอกให้นึกว่ามีค่ามีความหมายทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรให้จับต้องได้เลยเช่นนี้มโนภาพบุคคลผู้นึกออกจำได้จะหายไปเห็นแต่ว่าสัญญามันจำได้ไม่ใช่ตัวเราจำได้ผุดขึ้น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 เข้าข้างสว่างหรือข้างมืดคนทั่วไปจะเห็นสังขารเกิดขึ้นชัดต่อเมื่อต้องใช้กาลังใจในการทำบุญหรือก่อบาปเป็นพิเศษกาลังใจในการทาบุญหรือก่อบาปหนักๆนั้นจะก่อให้เกิดมโนภาพนักบุญผู้มีจิตใจสว่างกว้างขวางหรือมโนภาพคนบาปผู้มีจิตใจมืดมนร้ายกาจแม้ความชอบหรือความชัง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 ได้ลิ้มรสด้วยลิ้นหนึ่งได้แตะต้องวัตถุด้วยกายหนึ่งได้ทราบด้วยใจหนึ่งคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีเราเห็นมีเราได้ยินมีเราได้กลิ่นมีเราลิ้น ม, มีเราแตะต้องและมีเราเป็นผู้รับทราบเสมอต่อเมื่อจเจริญสติจ น, จนจิตตั้งมั่นรับสัมผัสกระทบต่างๆได้ชัด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 1. รู all all? Unique, ้ชัดว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 2. รู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 3. รู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 4. รู้ชัดว่าปีติสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 5. รู้ช <tem> ัดว่าปัิสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตหรู้ช <tem> <ara> ัดว <to> ่าสมาธิสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตเจรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตอนหนึ่งโพชฌงทั้ง7ประการที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยโพชฌงทั้ง7ประการที่เกิดขึ้นแล้ว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 ใช่หรือไม่ใช่โดยภาวะดีๆทางใจที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจวนแล้วนั้นรวมเรียกว่าโพอชงมีอยู่เจ็ดประการดังนี้ 1. มีสติเป็นอันตโนมัติสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้และไม่ใช่อะไรที่สูงส่งพิสดารเกินจินตนาการเอาแค่ง่ายๆอย่างเช่น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 เปลี่ยนจากจิตดีๆเป็นจิตตกก็รู้เปลี่ยนจากปลอดโปรง่งเป็นกระโจนออกไปหาเหยื่อล่อทางหูตาก็รู้กล่าวโดยย่นย่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกายใจก็รู้อยู่อย่างเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เวลาส่วนใหญ่เผลอเมอหรือหลงลืมไปว่ากายใจเป็นอย่างไรแล้วนานๆทีค่อยมานั่งนึกเอาว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่การตั้งสตินั้น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 แล้วค่อยเริ่มความเพียรกันแบบหน้าดำเครื่มเครียดแม้แต่ขณะที่รู้ได้น้อยที่สุดอย่างเช่นยามขี้เกียจยามเมอยามฟุง้งซ่านคุณก็ถูกฝึกให้รู้สึกตัวมาแล้วว่ากำลังขี้เกียจกำลังเมย์กำลังฟุง้งซ่านโดยเห็นว่าภาวะเหล่านั้นเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวเราเกิดได้ก็ดับได้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 กับทั้งไม่ใช่ความปราบปลืม้มกับการนึกว่าจะได้มรรคผลร่ไรในอนาคตอันไกลเพราะใจเราจะพออยู่กับสติที่มาถึงแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มรรคผลที่ยังมาไม่ถึงเบื้องหน้าความเท่าทานธรรมจะทำให้เราตระหนักว่าความอิ่มที่แท้นั้นไม่ใช่กายได้กินมากเท่าใดกับทั้งไม่ใช่ใจสมหวังเพียงไหนแต่เป็นความพอเป็นความหยุดหยาก เป็นการยุติอาการไขว่คว้าเหยื่อล่อภายนอกทั้งสิ้นทั้งปวงถึงขั้นนี้เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นผู้เห็นทรับภายในน่าปลื้มใจกว่าทรับภายนอกยิ่งจิตเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวเท่าไรก็เหมือนทรับภายในยิ่งเพิ่มยิ่งเออทนล้นอกมากขึ้นเท่านั้นหากปราศจากความอิ่มใจในขั้นนี้แล้วใจเรา ย่อมทะยานออกไปไขว่คว้าเหยื่อล่อภายนอกไม่รู้จบรู้สิ้นไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่คนใดก็คนหนึ่งจะสามารถกระชากความรู้สึกของเราให้ยื่นออกไปยึดได้เสมอไม่วันนี้ก็วันหน้า 5. มีความสงบระงับเยือกเย็นเมื่ออิ่มเอมเพลมใจเต็มที่ถึงขั้นไม่อยากได้อะไรนอกจากมีสติรู้นั้น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 หลังสสารการงานยุ่งเหยิงเสร็จสิ้นก็มีระดับที่จิตใจสงบสุขเพราะเรื่องร้ายผ่านไปก็มีระดับที่กายใจหยุดกระโจนไปหากามก็มีระดับที่จิตดับความเร่าร้อนของเพลิงพยาบาทลงด้วยน้ำใจอภัยได้ก็มีแต่ความสงบระ ง, งับที่กล่าวมาทั้งหมดยังด้อยคุณภาพนักเมื่อเทียบกับความสงบระ ง, งับในขั้นนี้เพราะในขั้นนี้ จิตอิ่มใจในธรรมจนไม่อยากกลับไปหากิเลสอยากตีตัวออกห่างจากกิเลสและเมื่อจิตไม่เอากิเลสกิเลสย่อมปรากฏเป็นของอื่นเป็นของแปลกปลอมจากสติผู้รู้ผู้เห็นยากที่จะกดดันกายใจให้กระสับกระส่ายได้อีกเครื่องชี้ว่าเรามาถึงความสงบระงับจริงคือยังมีสติเป็นอัตโนมัติโดยการปราศจากแรงดิ้นใดๆ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 เป็นภาวะแห่งนามไปทั้งสิ้นความตั้งมั่นในอาการไร้อุปาทานจะทำให้จิตปรากฏเด่นดวงมีความเป็นใหญ่จิตรู้จิตเองมากกว่ากายและเครื่องกระทบภายนอกน้อยใหญ่ก็ไม่มีอิทธิพลพอจะทำให้หวันไหวเสียการส่งตัวลดระดับความสามารถรับรู้ตามจริงเลยในชั่วขณะที่มีความตั้งมั่นระดับนี้ 7. มีความเป็นกลางวางเฉย